ไรปิดกภาษาไทยฉบับมหาจุลาลงกรราชวิทยาลายัยเล่มที่20สพระสุตตันตปิดกอังคุตรนิกายเอกาทุกกะติ ก, กานิบาทพระสุตตันตปิดก อังคุตรนิคายเอกนิบาตขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นหนึ่งรูปปาทิวัคหมวดว่าด้วยรูปเป็นต้นที่ครอบเมือมจิตบุรุษและสตรีหนึ่งเขาพระเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณกะเศรษฐี เคครูงสาวัตถีณที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคได้รับสั่งเรื่องภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายเราไม่เห็นรูปอื่นแม้อย่างหนึ่งที่จะครอบงำจิตของบุรุษอยู่ได้เหมือนรูปสตรีนี้ภิกษุทั้งหลาย รูปสตรีย่อมครอบเมือมจิตของบุรุษอยู่ได้ 2. เราไม่เห็นเสียงอื่นแม้อย่างหนึ่งที่จะครอบเมือมจิตของบุรุษอยู่ได้เหมือนเสียงสตรีนี้เสียงสตรีย่อมครอบเมือมจิตของบุรุษอยู่ได้ 3. เราไม่เห็นกลิ่นอื่นแม้อย่างหนึ่งที่จะครอบเมือมจิตของบุรุษอยู่ได้เหมือนกลิ่นสตรีนี้กลิ่นสตรีย่อมครอบเมือมจิตของบุรุษอยู่ได้ 4. เราไม่เห็นรถอื่นแม้อย่างหนึ่งที่จะครอบงำจิตของบุรุษอยู่ได้เหมือนรสสตรีนี้รสสตรีย่อมครอบงำจิตของบุรุษอยู่ได้หเราไม่เห็นโผฏฐัพพะการสัมผัสทางกายอื่นแม้อย่างหนึ่งที่จะครอบงำจิตของบุรุษอยู่ได้เหมือนโผฏฐัพพะสตรีนี้โผฏฐัพพะสตรีย่อมครอบงำจิตของบุรุษอยู่ได้ 6. เราไม่เห็นรูปอื่นแม้อย่างหนึ่งที่จะครอบเมามจิตของสตรีอยู่ได้เหมือนรูปบุรุษนี้รูปบุรุษย่อมครอบเมามจิตของสตรีอยู่ได้ 7. เราไม่เห็นเสียงอื่นแม้อย่างหนึ่งที่จะครอบเมามจิตของสตรีอยู่ได้เหมือนเสียงบุรุษนี้เสียงบุรุษย่อมครอบเมามจิตของสตรีอยู่ได้ 8. เราไม่เห็นกลิ่นอื่นแม้อย่างหนึ่งที่จะครอบเมมจิตของสตรีอยู่ได้ เหมือนกลิ่นบุรุษนี้กลิ่นบุรุษย่อมครอบเมือมจิตของสตรีอยู่ได้ 9. เราไม่เห็นรถอื่นแม้อย่างหนึ่งที่จะครอบเมือมจิตของสตรีอยู่ได้เหมือนรถบุรุษนี้รถบุรุษย่อมครอบเมือมจิตของสตรีอยู่ได้ 10. เราไม่เห็นผโธทพะอื่นแม้อย่างหนึ่งที่จะครอบเมือมจิตของสตรีอยู่ได้เหมือนผโธทพะบุรุษนี้ผโธทพะบุรุษ ย่อมครอบเมือมจิตของสตรีอยู่ได้รูปปาทิวักที่หนึ่งจบสอ ง, สอ ง, สองนิวรณะปะหานวักหมวดว่าด้วยทำเป็นเหตุละนิวอนหนึ่ง พระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเราไม่เห็นทำอื่นแม้อย่างหนึ่งที่เป็นเหตุให้การมาฉันทะความพอใจในกามที่ยังไม่เกิดขึ้นก็เกิดขึ้นหรือที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นไปเพื่อความเจริญไัยบุญยิ่งขึ้นเหมือนสุพภ น, นิมิตนี้เมื่อมนัิการสุภ น, นิมิตโดยไม่แยบคายการมาฉันทะที่ยังไม่เกิดขึ้นก็เกิดขึ้น และที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นไปเพื่อความเจริญภัยบูญยิ่งขึ้น 2. 2. เราไม่เห็นทำเอื่นแม้อย่างหนึ่งที่เป็นเหตุให้พยาบาทความคิดร้ายที่ยังไม่เกิดขึ้นก็เกิดขึ้นหรือที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นไปเพื่อความเจริญภัยบูญยิ่งขึ้นเหมือนปฏิฆะนิมิตนี้เมื่อมนสิการปฏิฆะนิมิตโดยไม่แยบคายพยาบาทที่ยังไม่เกิดขึ้นก็เกิดขึ้น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 การมนุษการโดยไม่แยบคายนี้เมื่อมนุษการโดยไม่แยบคายวิจิกริชาที่ยังไม่เกิดขึ้นก็เกิดขึ้นและที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นไปเพื่อความเจริญภัยบุญยิ่งขึ้น 6. เราไม่เห็นทำอื่นแม้อย่างหนึ่งที่เป็นเหตุในกามฉันทะที่ยังไม่เกิดขึ้นก็ไม่เกิดขึ้นหรือที่เกิดขึ้นแล้วก็ละได้เหมือนอสุภนิมิตนี้ เมื่อมนสิการอสุภานิมิตโดยแยบคายกามาชันทะที่ยังไม่เกิดขึ้นก็ไม่เกิดขึ้นและที่เกิดขึ้นแล้วก็ละได้เจเราไม่เห็นทำเอื่นแม้อย่างหนึ่งที่เป็นเหตุให้พยาบาทที่ยังไม่เกิดขึ้นก็ไม่เกิดขึ้นหรือที่เกิดขึ้นแล้วก็ละได้เหมือนเมตตาเจโตวิมุตตินี้เมื่อมนสิการเมตตาเจโตวิมุตต์โดยแยบคาย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 3. อากรรมะนิยวัคหมวดว่าด้วยจิตที่ไม่ควรแก่การใช้งานหนึ่งพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเราไม่เห็นทำอื่นแม้อย่างหนึ่งที่ไม่ได้เจริญแล้วย่อมไม่ควรแก่การใช้งานเหมือนจิตนี้ จิตที่ไม่ได้เจริญแล้วย่อมไม่ควรแก่การใช้งาน 2. เราไม่เห็นธรรมอื่นแม้อย่างหนึ่งที่ได้เจริญแล้วย่อมควรแก่การใช้งานเหมือนจิตนี้จิตที่ได้เจริญแล้วย่อมควรแก่การใช้งาน 3. เราไม่เห็นธรรมอื่นแม้อย่างหนึ่งที่ไม่ได้เจริญแล้วย่อมเป็นไปเพื่อไม่ใช่ประโยชน์มากเหมือนจิตนี้จิตที่ไม่ได้เจริญแล้วย่อมเป็นไปเพื่อไม่ใช่ประโยชน์มาก สเราไม่เห็นทำเอื่นแม้อย่างหนึ่งที่ได้เจริญแล้วย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์มากเหมือนจิตนี้จิตที่ได้เจริญแล้วย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์มาก 5. เราไม่เห็นทำเอื่นแม้อย่างหนึ่งที่ไม่ได้เจริญไม่ปรากฏชัดแล้วย่อมเป็นไปเพื่อไม่ใช่ประโยชน์มากเหมือนจิตนี้จิตที่ไม่ได้เจริญไม่ปรากฏชัดแล้วย่อมเป็นไปเพื่อไม่ใช่ประโยชน์มาก 6. เราไม่เห็นทำอื่นแม้อย่างหนึ่งที่ได้เจริญปรากฏชัดแล้วย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์มากเหมือนจิตนี้จิตที่ได้เจริญปรากฏชัดแล้วย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์มากเจ็เราไม่เห็นทำอื่นแม้อย่างหนึ่งที่ไม่ได้เจริญไม่ทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อไม่ใช่ประโยชน์มากเหมือนจิตนี้จิตที่ไม่ได้เจริญไม่ได้ทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อไม่ใช่ประโยชน์มาก เราไม่เห็นทำเอื่นแม้อย่างหนึ่งที่ได้เจริญทาให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์มากเหมือนจิตนี้จิตที่ได้เจริญทาให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์มากเเราไม่เห็นทำเอื่นแม้อย่างหนึ่งที่ไม่ได้เจริญไม่ทำให้มากแล้วย่อมนําทุกมาให้เหมือนจิตนี้จิตที่ไม่ได้เจริญไม่ได้ทำให้มากแล้วย่อมนําทุกมาให้สิ เราไม่เห็นทำอื่นแม้อย่างหนึ่งที่ได้เจริญทำให้มากแล้วย่อมนำสุขมาให้เหมือนจิตนี้จิตที่ได้เจริญทำให้มากแล้วย่อมนำสุขมาให้อากบ ร, รมนิยวัคที่สามจบ ท่านตะวัคหมวดว่าด้วยจิตที่ไม่ได้ฝึก 1. พระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเราไม่เห็นทำอื่นแม้อย่างหนึ่งที่ไม่ได้ฝึกแล้วย่อมเป็นไปเพื่อไม่ใช่ประโยชน์มากเหมือนจิตนี้จิตที่ไม่ได้ฝึกแล้วย่อมเป็นไปเพื่อไม่ใช่ประโยชน์มาก 2. เราไม่เห็นทำอื่นแม้อย่างหนึ่งที่ได้ฝึกแล้วย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์มากเหมือนจิตนี้ จิตที่ได้ฝึกแล้วย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์มาก 3. ามเราไม่เห็นทำอื่นแม้อย่างหนึ่งที่ไม่ได้คุ้มครองแล้ว okay ย่อมเป็นไปเพื่อไม่ใช่ประโยชน์มากเหมือนจิตนี้จิตที่ไม่ได้คุ้มครองแล้วย่อมเป็นไปเพื่อไม่ใช่ประโยชน์มาก 4. ี่เราไม่เห็นทำอื่นแม้อย่างหนึ่งที่ได้คุ้มครองแล้วย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์มากเหมือนจิตนี้จิตที่ได้คุ้มครองแล้วย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์มาก 5. เราไม่เห็นทำอื่นแม้อย่างหนึ่งที่ไม่ได้รักษาแล้วย่อมเป็นไปเพื่อไม่ใช่ประโยชน์มากเหมือนจิตนี้จิตที่ไม่ได้รักษาแล้วย่อมเป็นไปเพื่อไม่ใช่ประโยชน์มาก 6. เราไม่เห็นทำอื่นแม้อย่างหนึ่งที่ได้รักษาแล้วย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์มากเหมือนจิตนี้จิตที่ได้รักษาแล้วย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์มาก 7. เราไม่เห็นทำอื่นแม้อย่างหนึ่งที่ไม่ได้สัมรวมแล้วย่อมเป็นไปเพื่อไม่ใช่ประโยชน์มากเหมือนจิตนี้จิตที่ไม่ได้สัมรวมแล้วย่อมเป็นไปเพื่อไม่ใช่ประโยชน์มาก 8. เราไม่เห็นทำอื่นแม้อย่างหนึ่งที่ได้สัมรวมแล้วย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์มากเหมือนจิตนี้จิตที่ได้สัมรวมแล้วย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์มาก 9. เราไม่เห็นทำอื่นแม้อย่างหนึ่งที่ไม่ได้ฝึกไม่ได้คุ้มครองไม่ได้รักษาไม่ได้สำรวมแล้วย่อมเป็นไปเพื่อไม่ใช่ประโยชน์มากเหมือนจิตนี้จิตที่ไม่ได้ฝึกไม่ได้คุ้มครองไม่ได้รักษาไม่ได้สำรวมแล้วย่อมเป็นไปเพื่อไม่ใช่ประโยชน์มาก 10. เราไม่เห็นทำอื่นแม้อย่างหนึ่งที่ได้ฝึกได้คุ้มครองได้รักษาได้สำรวมแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์มากเหมือนจิตนี้จิตที่ได้ฝึกได้คุ้มครองได้รักษาได้สำรวมแล้วย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์มากอาทันตะวักที่สี่จบ นิหิตะอัชวักหมวดว่าด้วยผลแห่งจิต ท, ที่ตั้งไว้ผิดและถูกหนึ่งพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเป็นไปไม่ได้เลยที่โดยข้าวสาลีหรือโดยข้าวเหนียวที่บุคคลตั้งไว้ไม่ตรงจากตามมือหรือเท้าที่ไปกระทบข้าหรือทำให้เลือดออกข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะตั้งโดยข้าวไว้ไม่ตรงแม้ฉันใด เป็นไปไม่ได้เลยที่ภิกษุรูปนั้นมีจิตที่ตั้งไว้ผิดจากทำลายอาวิชชาความไม่รู้แจ้งให้วิชาความรู้แจ้งเกิดขึ้นทำนิพพานให้แจ้งข้อนั้นเพราะเหตุใดเพราะตั้งจิตไว้ผิดฉันนั้นเหมือนกันสองเป็นไปได้ที่ด้วยข้าวสาลีหรือด้วยข้าวเหนียวที่บุคคลตั้งไว้ตรงจากตามมือหรือเท้าที่ไปกระทบข้าหรือทาให้เลือดออก ข้อนันนเพราะเหตุไรเพราะตั้งเดือดข้าวไว้ตรงแม้ฉันใดเป็นไปได้ที่ภิกษุรูปนั้นมีจิตที่ตั้งไว้ถูกจากทําลายอาวิชชาให้วิชาเกิดขึ้นทำนิพพานให้แจ้งข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะตั้งจิตไว้ถูกฉันนั้นเหมือนกัน 3. เรากาหนดจิตของผู้อื่นด้วยจิตของตนอย่างนี้แล้วย่อมรู้ชัดบุคคลบางคนในโลกนี้ ผู้มีจิตอันโทสะประทุษร้ายถ้าบุคคลนี้ตายในสมัยนี้ย่อมดำรงอยู่ในนรกเหมือนถูกนําไปฝังไว้ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะว่าจิตของบุคคลนั้นถูกโทสะประทุษร้ายก็เพราะเหตุที่จิตยังคิดประทุษร้ายสัตว์บางพวกในโลกนี้หลังจากตายแล้วจึงไปเกิดในอบายภาวะหรือที่อันปราศจากความเจริญทุกคติ ภาวะหรือที่ชั่ววินิบาตที่อันมีแต่ความร้อนรนนรก 4. เรากําหนดจิตของผู้อื่นด้วยจิตของตนอย่างนี้แล้วย่อมรู้ชัดบุคคลบางคนในโลกนี้ผู้มีจิตผ่องใสถ้าบุคคลนี้ตายในสมัยนี้ย่อมดํารงอยู่ในสวรรค์เหมือนได้รับอัญเชิญไปประดิษฐานไว้ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะว่าจิตของเขาผ่องใส ก็เพราะเหตุที่จิตผ่องใสสัตว์บางพวกในโลกนี้หลังจากตายแล้วจึงไปเกิดในสุขติโลกสวรรค์ห้าห่วงน้ำที่ขุ่นมัวไม่ใสสะอาดเป็นโคลนตมบุคคลผู้มีตาดียืนอยู่บนฝั่งมองไม่เห็นหอยโขงและหอยกาบบ้างก้อนกรวดและกระเบื้องถ้วยบ้างฝูงปลาที่ว่ายไปและหยุดอยู่บ้างในห่วงน้านั้นข้อนั้นเพราะเหตุไร เพราะน้ำขุนมัวแม้ฉันใดภิกษุรูปนั้นก็ฉันนั้นเหมือนกันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะรู้ประโยชน์ตนรู้ประโยชน์ผู้อื่นรู้ประโยชน์ทั้งสองหรือจากทําให้แจ้งซึ่งยาณทัศนะที่ประเสริฐอันสามารถอันวิเศษยิ่งกว่าธรรมของมนุษย์ด้วยจิตที่ขุ่นมัวข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะจิตขุ่นมัว 6. ห่วงน้ําที่ไม่ขุนมัวใสสะอาด บุคคลผู้มีตาดียืนอยู่บนฝั่งพึงมองเห็นหอยโขงและหอยกาบบ้างก้อนโกรดและกระเบื้องถ้วยบ้างฝูงปลาที่ว่ายไปและหยุดอยู่บ้างในห่วงน้ํานั้นข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะน้ําไม่ขุ่นมัวแม้ฉันใดภิกษุรูปนั้นก็ฉันนั้นเหมือนกันเป็นไปได้ที่จะรู้ประโยชน์ตนรู้ประโยชน์ผู้อื่นรู้ประโยชน์ทั้งสอง หรือจากทำให้แจ้งซึ่งญาณทัศนะที่ประเสริฐอันสามารถอันวิเศษยิ่งกว่าธรรมของมนุษย์ด้วยจิตที่ไม่ขุ่นมัวข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะจิตไม่ขุ่นมัว 7. บัณฑิตกล่าวว่าต้นจันเป็นต้นไม้ที่เลิศ ก, กว่าต้นไม้ทุกชนิดเพราะเป็นของอ่อนและใช้งานได้ดีแม้ฉันใดเราไม่เห็นทำอื่นแม้อย่างหนึ่งที่ได้เจริญทาให้มากแล้ว เป็นของอ่อนและควรแกาการใช้งานเหมือนจิตนี้จิตที่ได้เจริญทำให้มากแล้วย่อมเป็นของอ่อนและควรแกาการใช้งาน8เราไม่เห็นทำอื่นแม้อย่างหนึ่งที่เปลี่ยนแปลงเร็วเหมือนจิตนี้จิตนี้เปลี่ยนแปลงเร็วจนเปรียบเทียบกับอะไรไม่ได้ง่ายๆ 9. จิตนี้ผุดพองแต่จิตนั้นแลเศร้าหมองเพราะอุปกิเลสที่เกิดขึ้นภายหลัง 10. จิตนี้ผุดพองและจิตนั้นแหลหลุดพ้นแล้วจากอุปกิเลที่เกิดขึ้นภายหลังปณนนิหิตะอัชวักที่หจบ 6. อัชาราสังคาตวักหมวดว่าด้วย ผลแห่งจิตชั่วรัดนิ้วมือเดียว 1. พระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายจิตนี้ผุดพองแต่จิตนั้นแลเศร้าหมองเพราะอุปภีร์ที่เกิดขึ้นภายหลังปุตุชนผู้ไม่ได้สดับย่อมไม่ทราบจิตนั้นตามความเป็นจริงเพราะเหตุนั้นเราจึงกล่าวว่าปุตุชนผู้ไม่ได้สดับย่อมไม่มีการอบรมจิต 2. จิตนี้ผุดพอง และจิตนั้นแลหลุดพ้นแล้วจากอุปกิเลที่เกิดขึ้นมาภายหลังอริยสาวกผู้ได้สดับย่อมทราบจิตนั้นตามความเป็นจริงเพราะเหตุนั้นเราจึงกล่าวว่าอริยสาวกผู้ได้สดับย่อมมีการอบรมจิต 3. ถ้าภิกษุเสพเมตตาจิตแม้ชั่วลัดนิ้วมือเดียวภิกษุนี้เราเรียกว่าอยู่ไม่ห่างจากฌานทำตามคำสอนของพระศาสดา ปฏิบัติตามโอวาทชั้นอาหารบิณฑบาตของชาวบ้านยังไม่ศู์เปล่าไม่จำเป็นต้องพูดถึงภิกษุผู้ทําเมตตาจิตนั้นให้มาก 4. ถ้าภิกษุเจริญเมตตาจิตแม้ชั่วลัดนิ้วมือเดียวภิกษุนี้เราเรียกว่าอยู่ไม่ห่างจากฌานทําตามคําสอนของพระศาสดาปฏิบัติตามโอวาทชั้นอาหารบิณฑบาตของชาวบ้านยังไม่ศูญเปล่า ไม่จําเป็นต้องพูดถึงภิกษุผู้ทําเมตตาจิตนั้นให้มาก 5. ถ้าภิกษุมนุษการเมตตาจิตแม้ชั่วลัดนิ้วมือเดียวภิกษุนี้เราเรียกว่าอยู่ไม่ห่างจากฌานทําตามคําสอนของพระาศาสดาปฏิบัติตามโอวาทชั้นอาหารบิณทบาทของชาวบ้านยังไม่สูญเปล่าไม่จําเป็นต้องพูดถึงภิกษุผู้ทําเมตตาจิตนั้นให้มากห อากุศลธรรมทั้งหลายที่เป็นส่วนอากุศลที่เป็นฝ่ายอากุศลทั้งหมดมีใจเป็นหัวหน้าใจเกิดก่อนทำเหล่าน hmm, mm ั้นอากุศลธรรมทั้งหลายเกิดขึ้นร่วมกันภายหลัง7กุศลธรรมทั้งหลายที่เป็นส่วนกุศลที่เป็นฝ่ายกุศลทั้งหมดมีใจเป็นหัวหน้าใจเกิดก่อนทำเหล่านั้นกุศลธรรมทั้งหลายเกิดขึ้นร่วมกันภายหลัง 8. เราไม่เห็นทำอื่นแม้อย่างหนึ่งที่เป็นเหตุให้อกุสุลธรรมที่ยังไม่เกิดขึ้นก็เกิดขึ้นหรือเป็นเหตุให้กุสุลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเหมือนความประมาทนี้เมื่อประมาทแล้วอกุสุลธรรมที่ยังไม่เกิดขึ้นก็เกิดขึ้นและกุสุลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วก็เสื่อมไปเก้าเราไม่เห็นทำอื่นแม้อย่างหนึ่งที่เป็นเหตุให้กุสุลธรรมที่ยังไม่เกิดขึ้นก็เกิดขึ้น หรือเป็นเหตุให <Ready. S 1> ้อค like ุส <ä. S 2> ุรธรรมที่เกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเหมือนความไม่ประมาทนี้เมื่อไม่ประมาทแล้วอคุสุรธรรมที่ยังไม่เกิดขึ้นก็เกิดขึ้นและอคุสุรธรรมที่เกิดขึ้นแล้วก็เสื่อมไปสิบเราไม่เห็นธรรมอื่นแม้อย่างหนึ่งที่เป็นเหตุให้อคุสุรธรรมที่ยังไม่เกิดขึ้นก็เกิดขึ้นหรือเป็นเหตุให้กคุสุรธรรมที่เกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเหมือนความเกียรครานี้ เมื่อเกียรคร้านอากุศลธรรมที่ยังไม่เกิดขึ้นก็เกิดขึ้นและกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วก็เสื่อมไปอัชราสังคาตะวักที่6จบ 7. วิริยารมพาธิวัค หมวดว่าด้วยการปรารบความเพียรเป็นต้นหนึ่งพระผู้มีพระภาคตรัสว่าพิกษุทั้งหลายเราไม่เห็นทมอื่นแม้อย่างหนึ่งที่เป็นเหตุให้กุศลธรรมที่ยังไม่เกิดขึ้นก็เกิดขึ้นหรือเป็นเหตุให้อกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเหมือนการปรารบความเพียร น, นี้เมื่อปรารบความเพียรกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดขึ้นก็เกิดขึ้น และอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วก็เสื่อมไป 2. เราไม่เห็นธรรมอื่นแม้อย่างหนึ่งที่เป็นเหตุให้อกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดขึ้นก็เกิดขึ้นหรือเป็นเหตุให้กุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเหมือนความมากมากนี้เมื่อมากมากอกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดขึ้นก็เกิดขึ้นและกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วก็เสื่อมไป 3. เราไม่เห็นธรรมอื่นแม้อย่างหนึ่ง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 หรือเป็นเหตุให้คุณสมธรรมที่เกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเหมือนความไม่สันโดษนี้เมื่อไม่สันโดษอกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดขึ้นก็เกิดขึ้นและคุณสมธรรมที่เกิดขึ้นแล้วก็เสื่อมไปหเราไม่เห็นธรรมอื่นแม้อย่างหนึ่งที่เป็นเหตุให้คุณสมธรรมที่ยังไม่เกิดขึ้นก็เกิดขึ้นหรือเป็นเหตุให้อกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเหมือนความสันโดษนี้เมื่อสันโดษ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 เราไม่เห็นทำเอื่นแม้อย่างหนึ่งที่เป็นเหตุให้อกุสุนธรรมที่ยังไม่เกิดขึ้นก็เกิดขึ้นหรือเป็นเหตุให้กุสุนรธรรมที่เกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเหมือนความไม่มีสัมปชัญญะความรู้ชัดนี้เมื่อไม่มีสัมปชัญญะอกุสุนธรรมที่ยังไม่เกิดขึ้นก็เกิดขึ้นและกุสุนธรรมที่เกิดขึ้นแล้วก็เสื่อมไป 9. เราไม่เห็นทำเอื่นแม้อย่างหนึ่ง ที่เป็นเหตุให้กุสุรธรรมที่ยังไม่เกิดขึ้นก็เกิดขึ้นหรือเป็นเหตุให้อกุสุรธรรมที่เกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเหมือนความมีสัมปัญญะนี้เมื่อมีสัมปัญญะกุสุรธรรมที่ยังไม่เกิดขึ้นก็เกิดขึ้นและอกุสุรธรรมที่เกิดขึ้นแล้วก็เสื่อมไป 10. เราไม่เห็นทำเอื่นแม้อย่างหนึ่งที่เป็นเหตุให้อกุสุรธรรมที่ยังไม่เกิดขึ้นก็เกิดขึ้น หรือเป็นเหตุให้กุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเหมือนความมีปาปะมิตรมิตรชั่วนี้เมื่อมีปาปะมิตรกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดขึ้นก็เกิดขึ้นและกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วก็เสื่อมไปวิริยารัมพาทิวั์ที่เจ็ด กาลยานามิตรตาทิวักหมวดว่าด้วยกาลยาณมิตรเป็นต้นหนึ่งพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเราไม่เห็นทำเอื่นแม้อย่างหนึ่งที่เป็นเหตุให้กุศลธรรมที่ยังไม่เกิดขึ้นก็เกิดขึ้นหรือเป็นเหตุให้ออกกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเหมือนความมีกาลยาณมิตรมิตรดีนี้เมื่อมีกาลยานามิตร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 เพราะการประกอบกุศลธรรมเนื่งเนืองและการไม่ประกอบอกุศลธรรมเนื่งเนืองกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดขึ้นก็เกิดขึ้นและอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วก็เสื่อมไป 4. เราไม่เห็นธรรมอื่นแม้แมอย่างหนึ่งที่เป็นเหตุให้โพ่อชงธรรมที่เป็นองค์แห่งการต ร, รัสรู้ที่ยังไม่เกิดขึ้นก็ไม่เกิดขึ้นหรือเป็นเหตุให้โพ่อชงที่เกิดขึ้นแล้วไม่ถึงความเจริญเต็มที่ เหมือนอโยนิโสมนัิการการมนัิการโดยไม่แยบขายนี้เมื่อมนัิการโดยไม่แยบคายโพชฌงที่ยังไม่เกิดขึ้นก็ไม่เกิดขึ้นและที่เกิดขึ้นแล้วก็ไม่ถึงความเจริญเต็มที่ 5. เราไม่เห็นทำอื่นแม้อย่างหนึ่งที่เป็นเหตุให้โพชฌงที่ยังไม่เกิดขึ้นก็เกิดขึ้นหรือเป็นเหตุให้โพชฌงที่เกิดขึ้นแล้วถึงความเจริญเต็มที่เหมือนโยนิโสมนัิการ มนุษยการโดยแยบคายนี้เมื่อมนุษยการโดยแยบคลายผูชงที่ยังไม่เกิดขึ้นก็เกิดขึ้นและที่เกิดขึ้นแล้วก็ถึงความเจริญเต็มที่ 6. ความเสื่อมญาติเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่ความเสื่อมปัญญาเลวร้ายกว่าความเสื่อมทั้งหลาย 7. ความเจริญด้วยญาติเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่ความเจริญด้วยปัญญายอดเยี่ยมกว่าความเจริญทั้งหลายเพราะเหตุนั้น เธอทั้งหลายพึงสำเนีกอย่างนี้ว่าเราทั้งหลายจกเจริญด้วยความเจริญทางปัญญาเธอทั้งหลายพึงสำเนียกอย่างนี้แหละความเสื่อมโภคทรัพย์เป็นเรื่องเล็กน้อยแต่ความเสื่อมปัญญาเลวร้ายกว่าความเสื่อมทั้งหลาย 9. ความเจริญด้วยโภคทรัพย์เป็นเรื่องเล็กน้อยแต่ความเจริญด้วยปัญญายอดเยี่ยมกว่าความเจริญทั้งหลายเพราะเหตุนั้น เธอทั้งหลายพึงสำเนียกอย่างนี้ว่าเราทั้งหลายจากเจริญด้วยความเจริญทางปัญญาเธอทั้งหลายพึงสำเนียกอย่างนี้แหล 10. ความเสื่อมยศเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่ความเสื่อมปัญญาเลวร้ายกว่าความเสื่อมทั้งหลายกาลยานามิ ต, ตาทิวักที่8ด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 2. เราไม่เห็นทำอื่นแม้อย่างหนึ่งที่เป็นไปเพื่อไม่ใช่ประโยชน์มากเหมือนความประมาทนี้ความประมาทย่อมเป็นไปเพื่อไม่ใช่ประโยชน์มาก 3. เราไม่เห็นทำอื่นแม้อย่างหนึ่งที่เป็นไปเพื่อประโยชน์มากเหมือนความไม่ประมาทนี้ความไม่ประมาทย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์มาก 4. เราไม่เห็นทำอื่นแม้อย่างหนึ่ง ที่เป็นไปเพื่อไม่ใช่ประโยชน์มากเหมือนความเกียดคร้านนี้ความเกียด <him> ค, คร้านย่อมเป็นไปเพื่อไม่ใช่ประโยชน์มาก 5. เราไม่เห็นทำอื่นแม้อย่างหนึ่งที่เป็นไปเพื่อประโยชน์มากเหมือนการปรารบความเพียนนี้การปรารบความเพียนย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์มาก 6. เราไม่เห็นทำอื่นแม้อย่างหนึ่งที่เป็นไปเพื่อไม่ใช่ประโยชน์มากเหมือนความมากมากนี้ ความมากมากย่อมเป็นไปเพื่อไม่ใช่ประโยชน์มากเจเราไม่เห็นทำเอื่นแม้อย่างหนึ่งที่เป no in ็นไปเพื่อประโยชน์มากเหมือนความมักน้อยนี้ความมักน้อยย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์มากแปเราไม่เห็นทำเอื่นแม้อย่างหนึ่งที่เป็นไปเพื่อไม่ใช่ประโยชน์มากเหมือนความไม่ฉันโดดนี้ความไม่ฉันโดย่อมเป็นไปเพื่อไม่ใช่ประโยชน์มาก เเราไม่เห like like ็นทำเอื่นแม้อย่างหนึ่งที่เป็นไปเพื่อประโยชน์มากเหมือนความสันโดษนี้ความสันโดษย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์มาก 10. เราไม่เห็นทำเอื่นแม้อย่างหนึ่งที่เป็นไปเพื่อไม่ใช่ประโยชน์มากเหมือนอโยนิโสมนสสการการมนสสการโดยไม่แยบคลายนี้อโยนิโสมนสสการย่อมเป็นไปเพื่อไม่ใช่ประโยชน์มาก 11. เราไม่เห็นทำอื่นแม้อย่างหนึ่งที่เป็นไปเพื่อประโยชน์มากเหมือนโยนิโสมานัสการการมานัสการโดยแยบคายนี้โยนิโสมานัสการย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์มาก 12. เราไม่เห็นทำอื่นแม้อย่างหนึ่งที่เป็นไปเพื่อไม่ใช่ประโยชน์มากเหมือนความไม่มีสัมปชัญญะนี้ความไม่มีสัมปชัญญะย่อมเป็นไปเพื่อไม่ใช่ประโยชน์มาก 13. เราไม่เห็นทำอื่นแม้อย่างหนึ่งที่เป็นไปเพื่อประโยชน์มากเหมือนความมีสัมปชัญญะนี้ความมีสัมปชัญญะย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์มาก 14. เราไม่เห็นทำอื่นแม้อย่างหนึ่งที่เป็นไปเพื่อไม่ใช่ประโยชน์มากเหมือนความมีปาปะมิตรนี้ความมีปาปมิตรย่อมเป็นไปเพื่อไม่ใช่ประโยชน์มาก 15. เราไม่เห็นทำอื่นแม้อย่างหนึ <Yeah. S 1> ่งที่เป็นไปเพื่อประโยชน์มากเหมือนความมีกัลยาณมิตรนี้ความมีกัลยาณมิตรย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์มาก 16. เราไม่เห็นทำอื่นแม้อย่างหนึ่งที่เป็นไปเพื่อมิใช่ประโยชน์มากเหมือนการประกอบอกุศลธรรมเนื่งเนืองและการไม่ประกอบกุศลธรรมเนื่งเนืองนี้การประกอบอกุศลธรรมเนื่งเนือง และการไม่ประกอบกุศลธรรมเนืองๆย่อมเป็นไปเพื่อไม่ใช่ประโยชน์มาก 17. เราไม่เห็นธรรมอื่นแม้อย่างหนึ่งที่เป็นไปเพื่อประโยชน์มากเหมือนการประกอบกุศลธรรมเนืองๆและการไม่ประกอบอกุศลธรรมเนืองๆนี้การประกอบกุศลธรรมเนืองๆและการไม่ประกอบอกุศลธรรมเนืองๆย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์มาก ประมาณทาทิวักที่9จบ